นาโมตัสสะพระเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ การนั่งขัดสมาธิเพ็รนั้นเป็นอุบายสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนา <c oughs> มากมายแต่ว่าไม่ทำให้จิตใจของพระองค์กล้าหาน เมื่อมานั่งขัดสมารเ็ดยังกําลังจิตของพระพุทธเจ้ากล้าหารชาญชัยสามารถไม่ทอแท่อ่อนแอในหัจัยจึงได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ เพราะการนั่งก็เป็นท่าทางอันนึที่จะยังจิตใจให้สามารถอาจฐานแต่ว่าการนั่งนั่นแหละเราก็ต้องไปนิพพิจารณาท้ากิเลสง่วงเหาเหานอนไปนั่งมากก็ยิ่ง ไม่รู้เรื่องต้องเดินจงกลมเดินจงกลมก็เดินให้เหมือนกับพระสมัยก่อนโน้นท่านได้สำเร็จมรรคผลในอิริยาบทเดินจงกลมคือท่านเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ คิดตัวเทว่าท่านเดินนานขนาดไหนเอาจนเท่าแตกหนังเท่าแตกเมื่อหนังเท่าแตกแล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรต้องคานเอาเอาเข่าลงไปแทนเท้าเอามือลงไปแทน คานภาวนาพุทโธในทางจงกรมในพื้นแผ่นดินปัดกวาดสะอาดสะอาดแล้วท่านกับเดินกลับไปกลับมาคานกลับไปกลับมาตอนคานภาวนาพุทโธนานเท่าไรก็ไม่รู้เลยจนเข่าแตกมือแตกเท่าแตกเลือดไหลคานไม่ได้ ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียน <c oughs> ว่ามีทางใดที่จะทำต่อไปอีกท่านก็คิดได้ว่าตอนนอนลงกลิ้งออกตอนนอนยาวขวางทางจงกลงแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งไปจนสดหัวจงกลง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 มีความเพียนถึงขนาดนั้นบางองค์ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้เดินแม้แต่ก้าวเดียวก็มีแต่องนั่นแล้วว่าเดินมากจนอะไรอะไรก็แตกพอนอนแล้วก็ไม่แตกกลิ้งเนอะ ภาวนาไม่ท้อไม่ถอยคือท่านฝึกจนสติความระลึกได้ไม่หลงไม่ลืมจึงได้สำเร็จมาผลในเวลาเดินจงกลม ในคนเราสมัยนี้นะมันเข้าหลักที่ว่าองค์หนึ่งได้สำเร็จในปากเสือองค์สำเร็จในปากเสือนั้นคือว่าเวลาอยู่วัดอยู่วัดอยู่ธรรมอย่างพวกเรานะี่ยมันสบายคืนไหนวันไหนก็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 เน็เหนื่อยแล้วก็ น, นอนจำวัดไปประมาณเที่ยงคืนเกิดมีเสือโค่งมาตะคุกปงน่ล่องโวยล่องวายขึ้นมาให้พวกเพื่อนช่วยพวกเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาจุดไฟมาถึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจะช่วยได้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 ท่านเรียน ร, รมกรรมฐานมาอย่างไรพอให้เจริญภาวนาแล้วไม่มีใครไปช่วยท่านได้ท่านสีองค์ที่เสือไม่ตะครบล่องเป็นแสงเฉียงเดียวบอกอย่างนี้ละให้ภาวนาลูกเดียวว่า ม, มีทางแก้ชีวิตของท่านมันจบเท่านี้แล้วไม่เหลือไปได้แล้ว พระองค์ใดหารไปช่วยมันก็จะเอาเป็นองค์ที่สองเพื่อนตายไม่มีเพื่อนกินเพาะได้ตั้งใจได้มันเอเราเนี่ยมันถึงขั้นตายแล้วเึิกภาวนาได้ล้วมันสงบเสียงไปพักหนะึ่ เสือกาได้ถอยแล้วมันไม่รู้จากบุญจากบาปนั่นแนะ่ละเสือกัดกินพวดปวนเลื่อยแล้วตามว่ามันกินแต่เท้าแต่ตีนแข้งขึ้นมาขาขึ้นมายังไม่ถึงท้องเลยได้สำเร็จในปากเสือปงกรรมาฐานตก นี่คือว่าเวลาอยู่ดีสบายในที่สบายไม่เล่งภาวนาเมื่อเข้าที่คับขันก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนามันก็ได้เะนั้นถ้าองค์ไหนเกียดค้านภาวนาละให้ระวังเดี๋ยวจะได้ไปสำเร็จในปากเสือแย่ไปเลย แต่มันสำเร็จจริงๆมันก็ไม่แย่ยิ่งทำให้ให้ได้เข้านิพพานง่ายบ่ต้องไปนอนโรงพยาบาลยากเข้านอนในท้องเสือแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีอะไรที่จะช่วยได้เท่ากับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา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 ไม่ไปทุกข์กับธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลาย น, นั่นเราทุกข์ดวงใจให้พากันเอามาคิดมาอา่านจะได้เร่งรีบปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปรอว่าให้แก่ชลาสิกรเมื่อนั่นเมื่อนี้ไม่ต้องว่า อย่างไรจะตั้งจิตตั้งใจได้เลิกละความโกรธโลภหลงได้ให้เล่งทำถ้ามันรับขันเข้ามาจริงๆมันไม่มีเวลาเราต้องเอางั้นก่อนนั่งภาวนาก่อน แม้ยังเด็กยังหน่มอยู่อย่าไปท่อแท้ออนแอร์ในหัวใจบม่ต้องไปรอให้มันแก่พระสาวกในขั้งพุทธกาลเจ็ดขวบคนเจ็ดขวบสมัยขั้งพุทธกาลขั้งพระพุทธเจ้ายัางมีพระชนชีพเจ็ดขวบท่านกัคาวรนาเป็นไปได้ เพราะท่านตั้งใจท่านเอาจริงๆเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจเด็กก็ไม่ให้สำคัญว่าเรายังเด็กยังนุง่มหรือแก่ชราแล้วก็ไม่ให้ติดให้ข้อคคำว่าแก่ชราธรรมดากิเลสมารสังขารลามา มาในหัวใจคนเรามันคอยหาทางแก้ถ้าแกชรากะว่าปวดหลังปวดเอวนั่งภาวนาไม่ได้หูไม่ดีตาไม่ดีกำลังวังชาไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้มันเป็นข้อแก้ตัวทางนั้นไม่ให้มันมีข้อแก้ตัวให้พา ก, กันตื่นขึ้นลุกขึ้น ปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนสงบหลังอับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาให้ได้ไม่ให้ใจมันท่อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าท่านทำได้ปฏิบัติได้ท่านก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนเราเราทุกคนก็เนื้อหนังของมนุษย์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 พระพุทธเจ้าช่วยได้ก็คือว่าคนตั้งใจคนภาวนาคนเอาจริงเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าภาษาวกเจ้าทั้งหลายแล้วก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาคัดข้องก็ศึกษาศึกษาเข้าใจแล้วก็ทำ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 มันมีความแก่ความชราชำรุดสุดโรมเป็นธรรมดาผมดำแก่มาผมขาวเมื่อเด็กเมือ่อนมกำลังกายแข็งแรงเนื้อหนังมังสังเต็มไปหมดเมื่อแกเท่าชราเยวแห้งกำลังวังทาไม่ดี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 อะไรทั้งหมดถ้ามีความอดความทนมีขันตีความอดทนย่อมได้ชัยชนะคนที่ไม่มีความอดทนเจ็บอะไรเป็นอะไรก่บนไปก่อนอ น, นั่นเนื้อว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยหนึ่งก็เป็นมาก ถ้าถึงข่าวเป็นมากก็ตายไปเลยเพราะไม่มีความอดทนโลกสิทธพระพุทธเจ้าเพ่นมีความอดทนเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาไม่ต้องบอกให้คนโน่นคนนี่รู้ว่าข้าวไปเจ้าปวดหัวข่าไปเจ้าปวดเขียวปวดฟัน ข้าพเจ้าเจ็บนั้นเป็นเน่เขาไม่ถามไม่ต้องบอกจิตใจฮะมันเข้มแข็งอยู่ภายในมันจะเจ็บไปถึงขนาดไหนดูมันจทิทีนั่งภาวนาดูเดินจงกลมภาวนาดูยืนภาวนาดูมันจะขนาดไหน จิตใจฮะมันอย่าไปทอแท่อ่อนแอฮะมันกล้าหาญเผชิญกับความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวในใจให้ได้ให้นึกเตือนใจว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันมันบังเกิดมีขึ้นในโลกประฐันนั้น มันไม่เลยตายไปนะที่สุดมันก็แค่ถึงแค่ตายเท่านั้นแหละมันโลกมันตายเป็นธรรมดาของโลกหน้าที่ของเราผู้ภาวานาปฏิบัติบูบชาจะต้องทำกิเลสในใจนี่ให้มันตาย มันตายก็คือมันไม่ลุกมาทำให้เราเดือดร้อนแลกความโกรธไม่หามันมาอยู่ได้ในตัวในกายวาจาจิตของเรามัปไปอยู่ที่อื่นวดดีห้มันไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่อื่นจะมาเอาขาสองแขนสวงของข้าะเจ้ามา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 เจ้าโลภะอยา่าไปเชื่อไปหลงมันธรรมดากิเลส ต, ตัณหาในใจสัตว์โลกนั้นเราว่าไม่มีเมืองพอต่อให้เขาเชียงดาวนี้เป็นทองคำทั้งลูก เอามามอบให้คนมีกิเลสลาคะตัณหาโลภจิตก็ไม่พอนั่นจึงฆ่ามันเสียทำลายมันเสียละวางมันเสียอย่าไปเชื่อไปหลงมันอยากได้อะไรตัวเองก็ต้องข่มบ้างสอนบ้าง อย่าไปอ่อนข้อต่อมันธรรมดากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันไม่มีที่พอคนสมัยโบราณเพื่อนอยังหาวิธีสอนมนุษย์ไว้ว่าในมนุษย์สโลกเหล่านี้นานๆจะมีคนประเภท อยากเป็นใหญ่เป็นโตคือในโลกโลกมนุษย์ที่ไปมาหาโศกันได้นี่แหละให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่บำเพ็ญทานรักษาศีลขอให้ได้เป็นสักชาติหนึ่งเมื่อบุญกุศลนั้นพร้อมพอก็ได้เป็น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 ได้ข่าวว่าเมืองสวรรค์สั้นฟ้ามีอยู่ทำอย่างใดเราจึงจะได้นางฟ้านางดินมาเป็นให้ความสุขสบาย mm hmm. ก็เลยไม่ได้ได้แค่ความคิดอยากได้นั่นแหละเพราะว่าบุญกุศลตนทรมาในความสุขในโลกมนุษย์ไม่ใช่ความสุขในโลกสวรรค์ ก็เลยความคิดที่อยากจะได้ข้อครองเมืองสวรรค์ก็ได้แค่ความคิดนั่นแหละอันนี้คือว่าพื้นแต่งเรื่องราวให้เห็นเหมือนเราไปมองกระจแว่นให้เห็นหน้าอย่างนั้นละ่ะอย่าไปเชื่อไปหลงมา เมื่อจิตใจมันเกิดโลภะอันใดขึ้นมาก็ให้หาวิธีดุดาให้ตัวเองตัวเองดุดาให้ตัวเองเอารุ่นแรงมันก็ไม่โกรธแต่ว่าถ้าให้คนอื่นด่าแล้วไม่ได้ละโกรธหน้าดำตาแดงถ้าตัวเราคิดผิดพูดผิดทำอะไรผิดผิดแล้วว่าด่าเองไม่ไม่ว่า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 แล้วก็รู้จักรักษาศีลห้าประการขึ้นไปเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากลักขะโมยเว้นจากประพฤติผิดในกรรมเว้นจากกล่าวมุสาวาเว้นจากดื่มกินสุรามีลายฝึกหัดตัวเองให้เลิกละ สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ตามก็คือผู้ใดล่วงเกินข้อศีลเหล่านี้มันเป็นกรรมเป็นเวรจะได้รับทุกข์ทรมานถึงขั้นตกนรกเดือดร้อนวนวาย แค่นั้นอย่าไปตามใจกิเลสจงลุกขึ้นต่อโซ่ <c oughs> ด้วยการนั่งขัดสมาเพชรต่อโซ่การนั่งขัดสมาเพชรต่อสู้มันยังง่วงเหาวหงานอนเราก็ไม่ต้องไปนอนลกขึ้นเดินจงกลมเอาจนมันหายง่วงหายเหนื่อ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 พระองค์ไม่เอาชนะใครพระองค์ภาวนาบำเพ็ญทานรักษาศีลเอาชนะใจของพระองค์ทานศีลภาวนากล้าทากล้าเสียสละพระพุทธเจ้าท่านจึงสา ม, มารถอาหาร ไม่ทอแท้ออนแอในหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบุญการกุศลใดๆพดดระองค์ก้าทากล้าเสียสละอย่างสมัยหนึ่งข่าวทาบุญทาทานกับพระพุทธเจ้าทีปังก่อน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 ได้เวลาพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จท่านก็นเสด็จมาตามกิตนี่หมดสุเมธธาดาบทพระพุทธเจ้าของเราก็เสียสลักเอาพระวรากายเอาตัวของพระองค์ไปนอนอนอนในขี่โคร น, นอนในขี่เปิดขี่ตมเพราะมันยังเหลืออยู่ช่วงหนึ่งพอคนนอนสุดหัวตีนได้ มีมนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตาร้อยเดินไปในหลังของพระสุเมธธดาบทท่านนอนคว่มหน้าเอากระดูกสันหลังขึ้นฝ้าให้พระพุทธเจ้าพระสาวกเยียดย่ำไปจะเพื่อนเปิดเลอกเทอะก็ช่างมันไปอาบน้ำเอาใหม่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 ถ้าฐานที่มันไม่สำคัญมันสำคัญใจจิตใจจิตใจเสียสละคิดใจตั้งใจท่านไม่ได้ไปโบวถไปเรียนเหมือนกับพระพุทธเจ้าภาวนาอยู่ในหอปราสาทท่านก็ภาวนาละกิเลส ต, ตัดกิเลสได้ดับขันเข้าสู่นาอผ่านได้ คือว่าขึ้นอยู่ที่การแตะทำเมื่อลองมือทำแล้วมันได้ผล <c oughs> ถ้ามีแต่คิดหรือมีแต่พูดมีแต่เขียนหนังสือเอาอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำหมดทุกอย่างกายก็ทำวาจาก็พูดทำใจก็คิดภาวนาทำ เมื่อกายวาจาจิตมันเข้าถึงเข้าถึงธรรมะการประกอบกะระทามันก็เป็นการสันเลขกระทำขัดเก้ากิเลสไปในตัว ก, กิเลสกิเลสนั้นมันไม่กลัวคนหัวดำหัวขาวหัวผ้าเหลืองผ้าขาวมันไม่หวา ถ้าคนใดเห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่กินสนุกเฮฮากิเลตมันไม่กลัวมันบายหัวได้ทั้งนั้นเราต้องตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาให้จิตใจมันมีกำลังความสามารถอาจอารเหมือนบรุษหนงยกของหนักได้เพราะกำลังกายมี คนที่มีกำลังกายยังสู้คนมีกำลังใจกำลังปัญญาไม่ได้กำลังใจกำลังปัญญาเรื่อวัาสามารถอาหารไม่มีอะไรที่จะมาทัดทานได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในวัน พระองค์จะได้ตัดสรูนั้นว่าถ้าเราเพียนพยายามนั่งภาวนาจนสุดขีดแล้วยังไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธยเย้าเราก็จะเอาที่นี่แหละเป็นที่ตายจะไม่ไปแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้จิเตสตัณหานี่กินต่อไปอีก ชาตินี้จะเสียสละชีวิตลงไปแลกเลยพระองค์ทำจริงๆต่นี้กิเลสตัณหามาณนะทิฏฐิก็ไม่กล้ามาลบกวนพระองค์ได้พระองค์ก็ได้ ว, ว่า <c oughs> กมชัยชนะไว้ในกามือต่อจากนั้นมาก็พระองค์ไม่กลัวแล้วมัน ลู้หน้าตาของมานกิเลสแต่ก่อนพระองค์ยังไปเชื่อไปหลงมันอยู่เมื่อพระองค์ได้ตรัสสรล้ธรรมแล้วไม่กลัวไม่กลัวพยามารพยามารกิเลสพระองค์เป็นใหญ่ในตัวไม่ขึ้นกับกิเลส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 ตั้งใจบำเพ็ญตลอดจนอายุได้แปดสิบปีดับขันเข้าสู่นฤพานไม่ต้องมาเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนมากินมาทายวุ่นวายกับปากกับท้องอย่างคนเราทั้งหลายนั่นแหละพระสาวกดา จ, จ, ดจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์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 ก็เลยร้อนอยู่ด้วยกิเลสลาคะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโทสะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโมโหหะอภิชฌาตัณหาฉะนั้นให้เราทุกๆคนตั้งใจขึ้นมาอย่าไปมวกลัวตายถ้ามันกลัวตายอยู่มันก็มาตา ย, ยถ้ามไม่กลัวตายลวมันก็ไม่กลับมาตายอีก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 สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังุท ธ, ธาปัจายิโนจัตาโรโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลา